ต่อไปนี้อาถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของศีลแบบเทวโองค์การคือหนึ่งตัดการพิจารณาเรื่องถูกผิดจริงไม่จริงออกเสียกล่าวได้ว่าเมื่อเชื่อแล้วศรัทธาล้วนแบบพักดีย่อมได้ผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็วเร่งเร้าและรุนแรงกว่าแต่ก็จะมีข้อที่จะเป็นปัญหาเช่น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 บัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปก็ทำให้เบาใจและไม่รู้สึกสะกิดสะดุดใจในการฆ่าสัตว์แต่การจูงใจแบบนี้ทำให้เกิดผลร้ายในด้านอื่นดีไปได้ไม่ตลอดกระบวนและไม่เป็นวิธีทางแห่งปัญญามนุษย์ที่จะพัฒนาต้องเป็นอยู่ด้วยการรับรู้ความเป็นจริงจะแจ้งในทุกขั้นทุกตอนให้รู้จักเลือกตัดสินใจด้วยตนเองเราอาจจะสอน ใ, ใช้วิธีจูงใจตนเองได้บ้าง แต่เรื่องที่จะใช้จูงใจนั้นต้องไม่มีแง่เสียหายและใช้เฉพาะในกรณีที่ช่วยเป็นพลังในการทำความดีอย่างอื่นให้ได้ผลยิ่ง